Thank mm -hmm. you. ฟังทำเพื่อยอมจิตของเราให้ติดกับรสพระธรรมเราก็ใช้เวลาการสวดมนต์ธรรมัดมาสมควรแล้วก็ฟังทำเลงกน่อยเพื่อให้ข้อมูลเรากำลังปฏิบัติธรรมกันอยู่ผู้ฟังก็ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราทำเราทำเราก็ได้ยินในสิ่งที่พูดแล้วก็สมดุลกัน เนีนเราเมื่เครื่องรับมีสื่อสารภายนอกภายในรับกันได้รู้เรื่องกันเราจเจริญสติก็พูดเรื่องสติเมื่อพูดเรื่องสติมันก็มีอะไรเกี่ยวข้องกับสติเยเอะแยะก็เป็นการศึกษาไปในตัวเสร็จบางทีมันมีความหลงเราก็มีสติสติประสบการณ์กับความหลง ทำยังไงตอนนั้นเป็นการศึกษาแล้วศึกษาคือหลุงย่อยย่อยออกมีสติก็ะพ้่นจากภาวะที่ลหลงบางทีมีสุกมีทุกข์มียากมีง่ายแล้วก็มีสติเลื่อยไปสตินี้เป็นคาถาต้นล้วนไม่ต้องอธิบายถ้าผิดว่าถูกอย่างไงถ้าดีบายสติไปก็เป็นอัธาคาถา อธิบายอักคาทาอีกเป็นอิติวุตตะหรือเป็นอะไรไปอีกก็มัวแต่อธิบายอยู่ก็เสียเวลาเปล่งลู่ไปเลยลู่ไปเลยอย่าไปเอาผิดอย่าไปเอาถูกให้มีสติล้วนล้วนทิฐิถูกมีสติเห็นสุกทุกขมีสติเห็นยากง่ายมีสติเห็นเอาไปมาสติก็เลยห้องตัวไม่ ผิดไม่ถูกไม่ยากไม่ง่ายสติก็เลยไม่กระทกขกระเทือนเรียกว่าแจกล้าเป็นอินทรีย์ตัวใหญ่เงยพ้าคายอะไรทั้งหมดเหมือนช้างเหมือนหมาความหลงพิริตทั้งหลายเหมือนหมาส ต, ติเหมือนช้างไปเลยให้หวันไวผู้มีธรรมมีสติไม่วันไวเพราะสุขทุกเนินทาสันเสริญเหือนโอเขาศิลาแท่งทึบไม่สะเทือนเพราะลม ชีวิตของผู้มีสติมีธรรมมีศีลอันมั่นคงเพราะพึ่งขาดตนดีแล้วเือนช่างนักลบไม่เจ็บปวดเวลาเข้าสู่สงงรามก็ไม่กิจาศบาดวันสูกลูกศรลูกธนูศัตรูขู่ดิก็ไม่หวั่นไหวจึงเป็นนักลบได้ชีวิตของเราควรจะเป็นนักลบตับข้าศึกภายในชีวิตเราความยากความายากมันมา ความผิด ค, า ค, ว, าความถูกความจบความทุกมันมีงมงเมาหอยนอนมีผุ่งื่นมีวิเลตนาราคะทิถิวานะมีมีจริตนิ้ใชอย่างไรมาว่าจะแสงหน้าแซงหลังทำให้เราหลงไปกับเหตุผลต่างๆพี่ลักเข้ามาเอาผิดเอาถูกเอายากเอาง่ายเอาชอบเอาไม่ชอบมันมาใช่สติแล้วสติเป็นคาถาล้วน ไม่ต้องมีมันสมองเข้าไปอัเหตุนัผลทาลงไปก็ยกปือสร้างแหวกว่าลู่เข้าไปเลยลู่เข้าไปเวลาอะไรที่ผ่านมาก็ลูเกกล่เข้าไปมันสุข ก, ก็ลู่เข้าไปมันทุกข์ก็ลู่เข้าไปเห็ น, น, นเห็นความสุขเห็นความทุกข์จนค่ายายก็ บ, บอกตัวเองว่าลูแลล่แล้วลู่แล้วว่าอย่างนั้นเหมือนอัญญาคนทันะ เวลาพระพุทธเจ้าจแสดงธรรมพญากุฏัะก็แสดงถึงว่ารู้แล้วพระเจ้าจแสดงธรรมก็จ้ำงองดูบ้างเหมือนได้รับมีข้อมูลในทั่วและมีข้อมูลภายนอกสมดุลกันรู้แล้วรู้แล้วแสดงถึงความรู้แล้วรู้แล้วเพศธรรมาจาักรกัตตัโสตต่อไปถึงอริสัจเีต่อไปถึง อ, อ, งอนตัตตาละณะสูตร ล่างไปล่างไปแล้วจบจนรู้เจ้ามองอัญญาคนอัญญาอะอัญยารู้แล้วหรือสไมจึงถามคํำนี้เพราะมีปฏิกิยาอันยาก็จะ ว, ว่ารู้แล้วรู้ไม่เที่ยงรู้แล้วสิใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์รู้แล้วสิใดเป็นทุกข์สิ่งนั้น ไ, ไม่ใช่ตัวตนรู้แล้วสิใดไม่ใช่ตัวตนสิ่งนั้น ไ, ไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราว่าของเรารู้แล้ว ก็ล่างไปล่างไป ม, มันก็มีอยู่ใ น, นเราเหมือนอันเดียวกันเรื่องของคนเราก็มีอันเดียวกันมีสติก็เป็นอันเดียวกันมีความหลงก็อันเดียวกันพ้นจากความหลงก็เป็นอันเดียวกันพ้นจากความโกรธก็เป็นอันเดียวกันพ้นจากความทุกข์ก็เป็นอันเดียวกันพ้นจากความยากความง่ายก็เป็นอันเดียวกันความยากความง่ายกันเดียวกันเึ่นแต่ค้าก็ว่าลู่เราลู่เขา รู้ตัวเองลูกคนอื่นอะไก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นความรู้อันชอบเป็นการศราึกษาโดยชอบเป็นการอยู่โดยชอบด้วยซ้ํำไปไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเมื่อมีความรู้สึกตัวว่าถือว่าอยู่โดยชอบแล้วพระพุทธเจ้าสัจเจมิเิกเวเพิกุกสัมมาเวหาเลายองอสุญโยโลโกโอรหันติอาาัะ ที่สูงทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันในโลกเนี่ยเราก็ ม, มีสติอยู่คนเดียวมีกันระยานธรรมมอนก็อยู่กับหมูมื่อก็ได้ช่วยหมูมิดไม่ทำาใคาเรเดือดร้อนลาบากอยู่กับมูก็เหมือนกับอยู่คนเดียวคนมีสติมันก็อยู่โดยชอบเราเพราะได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความปิดเป็นความรู้เปลี่ยนความตกเป็นความรู้ พหน้าที่ไปพำพ่องกันไปทั็นศีลไปด้วยเป็นสมาธิไปด้วยเป็นปัญญาไปด้วยเป็นความหลดพ้นไปด้วยอะไรที่มันเป็นโชว์อยู่ข้างหน้าเอาไว้ข้างหลังเลยไปผ่านเลยไปผ่านเลยไปไปเละในเบื้องต้นมีทั้งอัตถะมีทั้งพยัญชนะความไม่เที่ยงเป็นไงความเป็นทุกข์เป็นไงบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไปผ่านก็ไม่เที่ยง อันตีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์คงไม่เที่ยงเป็นปัญญาบริสุทธิ์บริโภคสิ้นเชิงความเป็นทุกข์ผ่านไปความไม่ทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ความไม่ทุกข์เป็นปัญญาไปเสร็จแล้วเร่งรุ่งก้นภาวะเก่าๆเหมือนเรากินข้าวทานอาหารจะได้ก็หิวพอกินไปกินไปความหิวก็หมดไปหมดไปจากคำเข้าว เกินไปทีละคำไม่ใช่ให้มันหมดความหิวไปไปควบคุมความหิวไม่ต้องเลยแต่เราก็กินไปเที่ยวไปเกินไปเที่ยวไปเกินไปแต่มันอิ่มไปไม่ใช่ไปไล่จับความอิ่มทำไมจึงจะอิม่มไม่ต้องไปคิดให้เสียสมองเราก็เกินลงไปกินลงไปเราก็อิมออ่มการอิ่มเนี่ยอธิบายคนเดินผังนมาได้ อิ่มมันเป็นยังไงหิวมันเป็นยังไงมันก็เป็นปัจจดตังเป็นของตัวเราว่าเรามีศีลหรือยางมีสมาธิมีปัญญาเราลุดอะไรมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้เหมือนเราจินเข้าอิ่มแล้วจึงรู้ว่าอิม่มมีแล้วมันก็ไม่ต้องกินอีกเพิมทุกมราก็ต้องไปต่อสู้กับมันเลยเพราะมันไม่ใช่ตัวเช่ตน กายก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ก่อนตัวตนเกิดอยู่กับกายเจอะแยะหลายภพหลายชาติโทษตนเกิดอยู่กับจิตใจหลายภพหลายชาติเอากายมาเป็นตัวเป็นตเนตเอากายเป็นที่ตั้งของการเกิดหลายหลายอย่างสศกทุกข์อยู่กับกายกับใจความร้อนความหนาวความปวดความเหื่อเป็นโศกเป็นทุกข์พอเรามามีสติมันก็เห็นน่ะมันไม่ใช่ตัวตนมันก็ถือว่า หลุดพ้นไปจากกายหลุดพ้นไปจากใจแทนที่กายเป็นใหญ่เอาไว้เห็นสุกเป็นทุกข์ เ, กเพื่อเจ็บเพื่อปวดล่อยลองรับทุกข์เอาไปมามันก็เลยไม่ไปอยู่ตรงนั้นเป็นปัญญาไปเลยเห็นโลภเห็นนามเห็นโลกทุกข์เห็นนามทุกข์เห็นโลภธรรมเ ห, นห็นนามธรรมเห็นโูภโลกเห็นนามโลกเห็นสมมุติเห็นบัจจเห็นวัตถุกายก็เป็นวัตถุที่เป็นรูปเป็นวัตถุ เมือนกับแผ่นดินนั่นมีแผ่นดินก็มีอะไรเกิดอยู่แผ่นดินนี่มีต้นไม้มีองฟ้ามีท่อนเมฆมีดวงอาทิตย์เป็นวัตถุดวงอาทิตย์ประทมบเกิดไม่เกิดฝนได้กายของเรานี่มันก็เป็นไปตามอาการของเขาไม่ใช่ถัวใช่ตนมันก็ต้องผอบพุณกายมันรู้จักร้อนมันรู้จักหนาวมันรู้จักเก็บปวดมันรู้จักหิวถ้ามันไม่หิว ถ้ามันไม่รู้จักร้อนไม่รู้จักเก็บปวดมันก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ลูกธํามเราก็มีปัญญาตรงนี้ไม่ใช่ออกมาเป็นเรื่องทุกข์ไม่เช่อมาเป็นตัวเป็นตนเป็นปัญญาเกิดขึ้นเพราะกายมันบอกลูกมันบอกนามมันบอกปัญญาก็รอบลูกในกองลูกในกองนามนี้ไม่ใช่ปัญญาไป็นลูกภายนอกความรอบลูกในกองสังขารเรียกว่าปัญญาองค์สังขารกายสังขาร สิงใดเป็นสังขันสิ่งนั Phone ้นมนก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเช่ตนสังขารแท้ๆกลายเป็นวิสังขารเปลี่ยนแปลงได้สังขารเป็นทุกซึ่งใดเกิดจากสังขารขี้หน้ามัได้เลยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกความโกรธก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกมุทุกก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข่อหน้าลงไปได้เลย ความไม่เที่ยงคงเป็นทุกข์นั่นเปลี่ยนเป็นวิสังขารก็เลยไม่เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์เพราะความไม่ทุกข์เรื่อเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารวิสังขารคือนิ่นผ่านสังขารคือภพชาติมันก็ดับตรงนี้ดับได้น้อยไปดับตรงน้อยแไะไม่เกิดเป็นภพภูมิชาติคุมกาเนิดตรงนี้ได้สมาธิเป็นสิ่งที่คุมกบเนิร์ของสังขารได้ น, น้อยไป ไง่ายมั่นคงไม่ถาวรก็ได้บ้างงั้นเราดับไฟดับไปทีแรกก็ไฟมันลุกมากพอดับไฟมันก็มอดลงน้อยน้อยไปมอดรงแล้วน้อยไปเข้าไปมาก็อาจจะดับสนิทไปเลยเรียกว่าถาวรถ้าจะเป็นนิพพานก็นิพพาน น, า น, น, น้อยไปก่อนความทุกข์หมดไปน้อยๆความหลงก็หมดไปน้อยๆไป ขมโกรธโกรธไป น, น้อยไปะเบาบางจางคายลงกางพระสจิธาคายมีทำลายความโกรธขมโรคขมหลงเบาบางจางคายลงได้บ้าในสังโยชน์สามสังโยชน์ทั้งห้สักยทิฏฐิความเห็นสําคัญมันม่นหมายว่ากายเป็นตัวเป็นตนตลงไปความละเลยสงสัยตรงนี้ไม่มีความถือจริงถือจังเรื่องกายไม่มีเอาไว้ศึกษา ไม่ยิ่งจังกับกายเือมันคิดมัน่นเอากายเป็นเรื่องตัดสินเอาใจเป็นเรื่องตัดสินมันก็บอหวางจางหายลงเอาทำรรเป็นเรื่องตัดสินไม่ใช่เอากายเอาตนอั ต, ตาเทปเตยะเอาตนเป็นใหญ่ถ้าเราสุขเราก็สุขถ้าเราทุกข์เราก็ทุกข์สมมติคิดมั่นเข้าไปโลกาเทปเตยะเอาโลกูกทำไม่ได้ต้องเอาทำธรรมมาเทปเตยยะเอาทำ ความทุกข์ไม่ชอบทำความไม่ทุกข์ชอบทำความโกรธไม่ชอบทำความไม่โกรธชอบทำความหลงไม่ชอบทำความไม่หลงชอบทำเข้าสู่ธรรมะเป็นประตูธรรมเข้าไปมันต้องไปอย่างนี้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่จินตนาการเป็นการพบเห็นอาจจะจินตนาปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาการมันก็มีเหมือนกันแต่มันไม่จริงเดี๋ยวมันหมดมันเสื่อยเป็น ต้เป็นสุขวปัจโกเป็นมีปั จ, จนาล้วนล้วนเห็นมิปั จ, จนาล้วนล้วนเห็นความหลงเห็นความไม่หลงล้วนล้วนพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเป็นการพบเห็นพอพบเห็นแล้วไม่มีคำถามมันก็ตอบได้เลยต่อจึงศึกษาลองดูไม่ต้องเชื่อใครถ้ามันหลงกับความไม่หลงเชื่อตรงไหนความทุกข์ความไม่ทุกข์เชื่อกันตรงไหน ไม่มีใครเอาความหลงถ้ามีความรู้แล้วไม่มีใครเอาความทุกข์ถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วไม่มีใครเอาคมโกรธถ้าไมีความรู้สึกตัวแล้วก็ไปกันได้เอาเองเดินไปด้วยเท่าองตัวเองพรเบเจ้าเป็นเพียงผู้บอกส่วนการกระทําเป็นหน้าที่ของเราเหมือนเดินไปตรงนี <t <t ้ลองดูเราก็เดินไปเองผ่านความหลงเป็นความไม่หลงมันก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านความทุกข์เป็นควมไม่ทุกข์มันก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านหลายๆอย่าง สารพัดอย่างที่มีสติมันต้องผ่านอะไรต่างๆมากมายไปก็มีบทเรียนมีประสบการณ์ได้ผลยาจากการศึกษาตัวเรานี่ยแท้ๆนี่แหละปฏิบัติธรรมเรายังมีเวลาพบปะกันตอนเช้าตอนเย็นท้งานเช้าท้งาดเย็นแล้วก็เพื่อจะได้ร่วมกันเป็นทิศทางให้รูปแผนที่รูปทางอะไรกันว่า ก็พบกันทำวัดเนี่ยก็อย่าให้นานเกินไปประมาณสักไม่นานก็อย่าง น, านั้นในสุดสามสิบนาทีพิธีกรรมอย่าให้นานเกินไปแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องดีทำวัดเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างถ้าเป็นความศึกษาไม่ต้องลาดไว้ไม่ใช่หน้าผาอยู่จะมาจับมือจับไม้กันอะไรก็มันจะต้องมีการลาดลาดเราทำวัดเนี่ยลาดเป็นการลาดไว้ สาธยายสิบสามสิบนาที น, นั่นล่ะก็บางธรรมกันต่อแต่บางสำนักเนี่ยพอทำวัดจบนั่งทำสมาธิตัวกันอวดกันไม่ค่อยดีนพระสงฆ็นั่งหันหน้าหายมยอดยมก็นั่งสร้างจิตว่าปฏิบัติธรรมต้องส่วนตัวส่วนตัวถ้าเป็นส่วนรวมก็ได้ถ้าหลังจากทำวัดเนี่ยต้องเป็นการแสดงธรรมก่อนแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันต่อไป ถ้าจะปฏิบัติทำงานต่อไปแสดงธรรมเสก่อนทําสมาธิสร้างจังหวะต่อไปมันก็เหมาะสมดีถ้าทำมัดจบเราปฏิบัติทำกันเลยไม่ก็ไม่ค่อยรู้ทิศทางพอบอกแล้วพอพูดแล้วก็เราก็ทำํำยกมือลองดูสิเอาเมือวางไว้บนเข่าดูสิรู้ไหมว่ามืออยู่ที่ไหนรู้เองนะแต่แขงมือข้างขว า, ขาตั้งไว้ยกมือเคลื่อนรู้รู้นะเอามืวางไว้รู้แขงข้างซ้ายรู้เคลื่อนรู้ วางนี่โลโลกันโลมันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็รู้ตรงนี้เอาไปทํา